จเจริญพรท่านผู้มีจิตสตามีความเมื่อใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่14เมษายนพุทธศักราชส5งราเป็นวันที่ท่านทั้งหลาย มีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเนื่องจากเป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงการานต์ท่านจึงได้ใช้เวลาที่มีคุณค่านี้มาสร้างมาทำสิ่งที่มีคนมีประโยชน์กับชีวิตจิตใจที่ไม่มีวันตายนะร่างกายตาย ชีวิตจิตใจของพวกเราไม่ตายเราจรึงต้องมาสร้างประโยชน์สร้างความสุขให้แก่ชีวิตจิตใจไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่สร้างความสุขให้แก่ร่างกายเพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องตายไปแต่ใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกาย ถ้าใจมีความสุขก็จะมีความสุขถ้าใจมีความทุกข์ใจก็จะมีความทุกข์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสุขความทุกข์ของทางร่างกายดังนั้นเราจึงต้องมาทาบุญมาล้างบาปมาชำระใจให้สะอาดกันเพราะนี่เป็นวิธีการที่จะนาความสุข ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเรานั่นเองการทําบุญก็เหมือนกับการเอาเงินไปฝากในธนาคารส่วนการทําบาป ก, ก็เหมือนกับการไปกู้หนี้จากธนาคารบุญถ้าเรามีเงินฝากเวลาเราต้องใช้เงินเราก็ไปเบิกได้ ถ้าเรามีเงินกู้เราก็ต้องใช้ใช้หนี้การทำบาปก็เหมือนกับการไปสร้างหนี้เช่นเราไปฆ่าผู้อื่นต่อไปเราก็จะต้องถูกผู้อื่นกลับมาฆ่าเราถ้าไปเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเราก็จะต้องถูกเขามาลักทรัพย์ของเราไปถ้าเราไปประพฤติผิดประเวณี เขาก็จะมาประพฤติผิดประเวณีกับภรรยาเรากับสามีเรากับบุตรกับที่ดาาของเราถ้าเราไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเขาก็จะกลับมาโกหกหลอกลวงเรานี่คือสิ่งที่จะย้อนกลับมาหาเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อกระามเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก็อย่าไปโทษใคร โทษการกระทำของเราเวลาใครเข้ามาตามฆ่าเราก็ขอให้คิดว่าเราเคยไปตามฆ่าผู้เวลาใครมารักทรัพย์ของเราก็ขอให้คิดว่าเราเคยไปรักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าเราโกหกหลอกลวงใครถ้าเขามาโกหกหลอกลวงเราก็ขอให้รู้ว่าเราไปโกหกหลอกลวงเขาก่อน ถ้าใครเข้ามาประพฤติผิดประเวณีกับสามีของเรากับภรรยาของเรากับบุตรกับธิดาของเราก็ขอให้คิดว่าเราเคยไปประพฤติผิดประเวณีมาก่อนถ้าไม่มีใครเข้ามาฆ่าเรามาลักทรัพย์ของเรามาประพฤติผิดประเวณีกับบุตรธิดากับภรรยาสามีของเราถ้าไม่มีใครมาโกหกหลอกรวมเรา ก็แสดงว่าเราไม่ได้ไปทําเขาหลัดมานั่นเองนี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามเมื่อทําไปแล้วจะต้องเกิดผลตามมาอย่างแน่นอนและไม่สามารถไปลบล้างบาปได้ไม่สามารถไปสารภาพบาปแล้วก็ไปล้างบาปที่เราทําได้บาปที่ทําไว้แล้วจะต้องส่งผลเสมอ เพียงแต่ว่าจะส่งผลช้าหรือส่งผลเร็วเท่านั้นเองคนเราบางทีก็ไปเข้าใจผิดคิดว่าทำบาปแล้วไม่เห็นมีผลเสียหายอะไรตามมามีแต่ผลดีตามมานั่นก็เป็นเพราะว่าผลบาปยังไม่ถึงเวลาที่จะแสดงผลนั่นเองส่วนสิ่งที่ดีผลดีที่ปรากฏขึ้นนั้น ก็เป็นผลที่เกิดจากการทาความดีทาบุญมาก่อนหน้านี้นั่นเองพอดีเป็นจังหวะที่ผลดีออกดอกออกผลก่อนก็เลยไปคิดว่าทำบาปแล้วกลับได้ดีหรือเช่นเดียวกับการเวลาทําความดีแล้วผลความดียังไม่เกิดเกิดแต่ผลของการทำบาปก่อนก็เลยไปคิดว่า ทำดีแล้วไม่ได้ดีก็เลยไม่อยากจะทำดีทำบาปแล้วกลับได้ดีก็เลยคิดว่าทำบาปดีกว่านี่เป็นการเข้าใจผิดเพราะเรื่องของบาปของบุญนี้มันมีผลของมันแต่เวลามันแสดงผลนี่มันมีช้ามีเร็วต่างกันไปดังนั้นอย่าไปจับแพะชนแกะ ขอให้คิดเสมอว่าเวลาเกิดสิ่งที่ดีกับชีวิตของเรานี้ขอให้คิดว่าเป็นผลที่เกิดจากการทําบุญทําความดีของพวกเราเวลาเกิดสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราก็ขอให้คิดว่ามันเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปทําสิ่งที่ไม่ดีมาก่อนล่วงหน้านี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว เราจะได้ไม่กล้าทำบาป ก, กันเราก็จะทำบุญกันอย่างเดียวถ้าเราทำบุญอย่างเดียวไม่ทำบาปต่อไปก็จะมีแต่ผลดีปรากฏให้กับเราไปเพียงอย่างเดียวผลไม่ดีก็จะไม่มีนอกจากผลไม่ดีที่เกิดจากการทำบาปในอดีตที่ยังไม่ได้ส่งผลเท่านั้นแต่ ต่อไปผลไม่ดีต่างๆก็จะหายไปหมดแล้วเราจะมีแต่ผลดีตลอดเวลานี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรมที่พวกเราควรที่จะเชื่อเพราะว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์มาแล้วแล้วนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนผู้ที่รับไปปฏิบัติ ก็ได้รับผลประโยชน์ตามที่พุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้ทุกประการจึงเป็นผู้ที่มารับรองคำสอนของ พ, พุทธเจ้าว่าเป็นความจริงท่านเหล่านี้ก็คือภาษาวกทั้งหลายของพระพุทธเจ้านี่เองที่หลังจากได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็ได้รับผลดีปรากฏขึ้นมา จึงมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าได้อย่างร้อยเปอ่าเซนต์พวกเราถ้าปฏิบัติตามเราก็จะได้รับผลแล้วเราก็จะไม่สงสัยเราจะเชื่อพระพุทธเจ้าได้อย่างร้อเปเซตเหมือนกับคนตาบอดที่เชื่อคนตาดีคนตาบอดนี้ไม่สามารถที่จะมองเห็นอะไรตา่ตางๆได้ด้วยตนเองต้องอาศัยคนตาดี คนตาดีก็จะบอกว่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้พอทำแล้วก็ได้ผลอย่างที่คนตาดีบอกก็จะเชื่อคนตาดีไปตลอดนี่คือลักษณะของพวกเราพวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนตาบอดแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะกลายเป็นคนตาดีขึ้นมาเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ส่งเห็นแลวเราก็จะได้ไม่กระทําในสิ่งที่จะทาให้เกิดผลเสียหายกับเราเราอาจจะไม่คิดว่าเรามีผลเกิดขึ้นกับเราหลังจากที่ตายไปแล้วเพราะเราคิดว่าเราเป็นร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราก็คิดว่าเราตายไปกับร่างกาย เมื่อเราตายไปกับร่างกายแล้วใครจะมารับผลของบาปของบุญที่เราทำเอาไว้ความจริงก็คือเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกจากร่างกายส่วนนี้เราเรียกว่าจิตใจจิตใจนี้เป็นผู้รู้เป็นผู้คิดที่ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่อีกที่หนึ่งอยู่ที่เราเรียกว่าโลกทิพย ใจของเรานี้เป็นร่างทิพย์เป็นกายทิพย์ร่างทิพย์กายทิพย์นี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายหยาบนะร่างกายหยาบตายไปร่างทิพย์นี้ก็ไปรับผลบุญรับผลบาปต่อไปถ้าบุญส่งผลก็ไปรับผลบุญในสวรรคนะ์ถ้าบาปส่งผลก็ไปรับผลในอาบายนะ พวกที่มาเกิดเป็นเดรัจฉ า, า น, นี้ก็เป็นพวกที่ในขณะที่เป็นมนุษย์อยู่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อคำสอนของนักปราชญ์ทั้งหลายกล้าทำบาปกล้าทำกรรมพอตายไปก็เลยต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเกิดเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างไปเป็นผีบ้างนี่คือที่ไป ของผู้ที่ทำบาปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วส่วนผู้ที่ทำบุญหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆกันแล้วถ้าปฏิบัติทำความดีชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปที่พระนิพพาน ที่เป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดเป็นสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมสวรรค์ชั้นต่างๆนี้ยังเสื่อมได้เช่นเราทำบุญแล้วเราไปเกิดเป็นเทวดาพอบุญที่เราทำนั้นหมดไปเราก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เช่นเดียวกับบาปที่เราทำไว้พอเราไปใช้บาปหมดแล้วเราก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ แต่ผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่หลังจากที่ไปใช้บาปแล้วจะต่างกับผู้ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หลังจากที่ได้ใช้บุญหมดไปแล้วผู้ที่กลับมาจากการกระทำบาปนี้จะเป็นมาเกิดแบบคนมี อ, อภพวาสนาเช่นมีรูปร่างหน้าตาไม่สวยงาม มีผิวพรรณไม่ผ่องใสมีอาการไม่ครบส2มสองมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมีอายุสั้นมีฐานะยากจนมีสติปัญญาทึกนี่คือลักษณะของผู้ที่ทำบาปแล้วพอตายไปก็ไปใช้บาปในอบายแล้วพอพ้นจากบาปกลับมาเป็นมนุษย์ ก็จะมาเกิดเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนาส่วนผู้ที่ทำบุญแล้วตายไปได้ไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดบุญก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่จะเป็นมนุษย์ที่มีบุญมีวาสนาติดตามมามีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสมีอาการครบ32 มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวนานมีฐานะการเงินการทองที่ร่ำรวยมีสติปัญญาความรู้ความฉลาดที่แหลมคงนี่คือลักษณะของผู้ที่ทำบุญจะเป็นอย่างนี้แล้วพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะชอบทำบุญต่อ ชอบมาวัดชอบมาฟังเทศฟังธรรมชอบทาทานชอบรักษาศีลชอบปฏิบัติธรรมมันเป็นนิสัยที่เคยทำไว้แล้วมันจะติดมาไม่ต้องมีใครสอนไม่ต้องมีใครบอกส่วนพวกที่ทำบาปทำกรรมกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะติดนิสัยทำบาปทำกรรมมาก็จะชอบรักทรัพย์ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ชอบประพฤติผิดประเวณีชอบโกโหกหลอกลวมแล้วพอทำสิ่งเหล่านี้ไปตายไปก็ต้องกลับไปใช้กรรมในอบายใหม่แต่ถ้าได้มาพบกับพระพุทธศาสนาหรือได้มาเกิดในครอบครัวของบิดามารดาที่มีศีลมีธรรมบิดามารดาก็จะสอนลูกให้ประพฤติดีเช่นชวนลูกมาวัด พาลูกมาวัดทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์มาฟังเทศน์ฟังธรรมมาทําทางมารักษาศีลเวลาโตพอที่จะบวชเป็นสัมมนเนยได้ก็จับมาบวชเป็นสัมมนเนยถ้าเป็นผู้หญิงก็ชวนมาอยู่วัดปฏิบัติธรรมในช่วงวันหยุดเช่นช่วงหยุด<ม>ในวันหยุดสงกรานต์ห้าวันนี้คนที่มีศีลมีธรรมนี้จะชวนครอบครัว มาอยู่วัดกันมาทำบุญทำทานมารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมกันนี่ก็เป็นเรื่องของโชคหรือของวาสนาถ้าเคยมีนิสัยทำบาปมาแต่พอได้มาเกิดในครอบครัวที่ชอบทำบุญก็จะมีผู้นำมีผู้ชวนไปทำบุญ ถ้าทำบุญแล้วเห็นว่ามีประโยชน์กว่าการทำบาปก็เปลี่ยนใจได้เคยชอบทำบาปก็จะเลิกทำบาปแล้วมาชอบทำบุญพอชอบทำบุญแล้วต่อไปก็จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตายไปก็ไปเป็นเทพตายไปก็ไปเป็นพรตายไปก็เป็นพระอริยเจ้า เป็นพออาาระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลำดับต่อไปอยู่ที่การทาบุญการทาบุญนี้จะพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปเป็นตามลำดับขั้นแรกก็เป็นมนุษย์การเป็นมนุษย์ก็คือการไม่ทาบาสนั่นเองการรักษาศีลห้าได้ก็จะทำให้ไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าได้ทําบุญด้วยก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดา ถ้าได้นั่งสมาธิปฏิบัติทำทาใจให้สงบก็จะได้ไปเป็นพรหมแล้วถ้าได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเกิดปัญญาเห็นอริยสัจสี่เห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะได้ไปเกิดเป็นพระอริยเจ้าขั้นต่างๆ ต, ตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันขั้นสกิดาคามี ขั้นอนาคามีและขั้นอาวาราหันต์ตามลาดับต่อไปถ้าได้ถึงขั้นอ า, าราหันต์แล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าได้ขั้นพระอริยะขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบาันก็จะไม่ต้องกลับไปเกิดในอบายอีกต่อไปถึงแม้ว่าเคยทำบาปทำกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตามบาปกรรมนั้นจะไม่สามารถฉุดลาก ใจของพระ อ, อริยให้ไปเกิดในอบายได้อีกต่อไปนี่แหละคือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามาวัดมาฟังเทพฟังธรรมมาศึกษาพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาแล้วแล้วนำเอาไปปฏิบัติจิตใจของเราก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นไปตามลำดับ สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราทำกันก็คือหนึ่งอย่าทำบาปรักษาสินห้าไว้ให้ดีและเพื่ ค, คนที่รักษาสินห้าได้หมดไม่ว่ารวยหรือจนพอไม่ต้องใช้เงินทองในการรักษาสินห้าการรักษาสินห้านี้ง่ายจะตายนั่งเฉยๆอย่างนี้ก็มีสินห้าแนละ้วตอนนี้ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ได้รักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดประเวณี ไม่ได้โกหกหลอกลวงไม่ได้เสพสุรายาเมาง่ายกว่าการไปทำบาปเสียอีกการจะเสพสุรายาเมาก็ต้องหาเงินไปซื้อสุรามาดื่มถึงจะได้ดื่มการที่จะโกหกก็ต้องพูดถึงจะโกหกได้แต่ถ้านั่งเฉยๆปิดปากก็ไม่ได้โกหกอย่างไหนจะง่ายกว่าการนั่งเฉยๆปิดปากกับต้องพูดการลักทรัพย์ก็เหมือนกัน อยู่เฉยๆกับการรักทรัพย์อย่างไหนจะง่ายกว่ากันถ้าจะรักทรัพย์ก็ต้องไปหาที่รักทรัพย์ต้องไปสอดนนมดูว่าที่ไหนมีทรัพย์ให้รักแล้วก็ต้องรอเวลาต้องคอยจ้องคอยเฝ้าดูคนเจ้าของว่าเผลอเมื่มอไหร่ถึงจะเข้าไปรักทรัพย์ได้การไม่รักทรัพย์กลับง่ายกว่าอยู่เฉยๆก็สบายไม่มีโทษตามมา นักทรัพย์แล้วก็ต้องหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจดีไม่ดีก็ถูกเขาจับเข้าคุกเข้าตารางเช่นเดียวกับคันฆ่าผู้อื่นฆ่าสัตว์ก็ต้องไปหาอาวุธไปหาปืนหากระสุนมาแล้วก็ต้องไปตามฆ่าของเหนื่อยแสนเหนื่อยทำไปแลได้อะไรก็ได้แต่ความทุกข์ตามมาแต่กลับทํากันเพราะอะไรเพราะความโง่ ไม่เคยดูตัวเองไม่เคยดูใจตัวเองว่ากำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจของตนเองเวลาอยากจะฆ่าคนนี่มันสุขหรือทุกเวลาอยากจะลักทรัพย์นี่มันสุขหรือทุกเวลาอยากจะไปประเพิผิดประเวณีนี่มันสุขหรือทุกแล้วเวลาทำไปแล้วมันสุขหรือทุกฆ่าเขาแล้วนี่ใจเป็นยางไงสบายใจหรือทุกใจไปลักทรัพย์ของผู้อื่นแล้ว ใจเป็นอย่างไรทุกใจหรือสบายใจไปประพฤติผิดประเวณีแล้วใ จ, จะสะบายหรือใจจะทุกเนี่ยเราชอบทำความทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะเราไม่เข้าหาผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้านะถ้าเราเข้าหาได้ฟังเทศฟังธรรมได้ดูผลได้รู้ผลของการกระทำบาวว่าเป็นอย่างไรเราต่อไปก็จะได้ ไม่กล้าทำบาป ก, กันนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้จะสอนให้เราทำในสิ่งที่ดีที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับชีวิตจิตใจของพวกเราจะสอนให้พวกเราละการกระทาที่เป็นโทษเป็นอันตรายต่อชีวิตจิตใจของพวกเราแล้วถ้าเราได้กระทาตาม ชีวิตจิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่เชื่อลองทำดูลองรักษาศีลห้าดูแล้วลองเปรียบเทียบระหว่างการที่ไม่ได้รักษาศีลห้ากับการรักษาศีลห้านี้อย่างไหนจะดีกว่ากันอย่างไหนจะทำให้เราสบายใจกว่ากันอย่างไหนจะทำให้เราทุกข์ใจให้ดูตรงที่ใจนี้เป็นหลักการกระทาต่างๆนี้ ผลกระทบที่ชัดที่สุดก็คือที่ใจของเราอย่างตอนนี้เรานั่งเฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรเสียหายเรามีความทุกข์ใจหรือเปล่าเรามีความเดือดร้อนใจหรือเปล่าเราลองไปเปรียบเทียบดูกับเวลาที่เราไปทำอะไรที่เสียหายไปลักทรัพย์ของผู้อื่นไปประพฤติผิดประเวณีดูแล้วดูซิว่าใจของเราจะเป็นอย่างไร ดูที่ใจไว้ให้ดีแล้วต่อไปเราจะได้รู้ว่าการกระทําอะไรที่ไม่ควรกระทําการกระทําอะไรที่ควรกระทําเช่นวันนี้เรามาทําบุญเรารู้สึกอย่างไรสบายใจไหมเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราสบายใจไหมนี่ลองไปประพฤติดูลองไปปฏิบัติดูแล้วเราจะได้ทําในสิ่งที่เราอยากจะ ได้กันพวกเราทุกคนนี้อยากจะมีความสุขกันไม่มีความทุกข์กันแต่ปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่รู้ว่าวิธีสร้างความสุขนั้นสร้างอย่างไรวิธีสร้างความทุกข์นั้นสร้างอย่างไรเราเลยไปทำตรงกันข้ามกันแทนที่จะสร้างความสุขให้กับใจเรากลับไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเพราะความหลง พอทำให้หลงคิดว่าถ้าเราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วเราจะมีความสุขแล้วพอเราต้องไปขโมยของเพื่อให้ได้สิ่งที่เราอยากได้ถึงแม้ว่าเราจะได้ของมาแต่ใจเราเป็นอย่างไรใจเราสุขหรือใจเราทุกเวลาที่เราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเวลาที่เราไปฆ่าผู้อื่นนี้เรามีความสุขหรือม่มีความทุกข์กัน ทำไมเราถึงอยากจะฆ่าเพราะตอนที่เราอยากจะฆ่าเราคิดว่าฆ่าแล้วจะทําให้เราหายเครียดแค้นทําให้เราสบายใจแต่แทนที่จะสบายใจกับทุกข์ใจกับวุ่นวายใจดังนั้นถ้าเรายังไม่เห็นผลของการทําบาว่ามันเป็นอันตรายก็ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าไปก่อนพยายามหักห้ามจิตใจอย่าไปทําบาป เวลาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาจะทจาจะคิดอยากจะทำบาปก็ขอให้คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงผลบาปที่จะตามมายอมทนทุกข์กับความไม่สบายใจในขณะที่เกิดความโกรธแล้วพยายามระ ง, งับดับความโกรธดีกว่าไปฆ่าผู้อื่นวิธีระ ง, งับดับความโกรธก็คือให้เราท่องพุทโธพุทโธไป เวลาเกิดความโกรธก็ให้ท่องพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปสวดไปเรื่อยๆอย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราโกรธให้อยู่กับบทสวดมนต์ให้อยู่กับพุโทโธไปไม่นานห้านาทีสิบนาทีความโกรธก็จะหายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปทําสิ่งที่จะทําให้เราต้องมาเสียใจในภายหลัง ทำให้เราต้องมาเดือดร้อนนุ่นหวายใจในภายหลังนี่คือเรื่องที่เราควรที่จะสนใจศึกษากันจิตใจของเรานี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้ามันเป็นปกติมันก็จะไม่ทำอะไรเสียหายเช่นตอนนี้จิตใจเป็นปกติแต่เวลามมนไม่เป็นปกติเวลาเกิดความโลภนี้ให้ระวังไว้ เวลาเกิดความโกรธนี้ให้ระวังไว้เพราะมันจะพาให้เราไปทําบาปนั่นเองถ้าเราไม่อยากจะทําบาปเราต้องรีบหยุดความโลภให้ได้หยุดความโกรธให้ได้เวลาเกิดความโลภ ก, ก็สวดมนต์ไปท่องพุโทโธไปเดี๋ยวความโลภ ก, ก็จะหายไปเวลาเกิดความโกรธก็ให้สวดมนต์ไปท่องพุโทโธไปเดี๋ยวความโกรธก็จะหายไป พอความโลภหายไปความโกรธหายไปความอยากที่จะไปทำบาป ก, ก็จะหายไปแล้วโทษที่เกิดจากการทำบาป ก, ก็จะไม่มีตามมานี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องพยายามศึกษาและพยายามปฏิบัติให้ได้เพราะถ้าเราปฏิบัติได้แล้วชีวิตจิตใจของเราจะปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆ ภัยอันตรายส่วนใหญ่นี้เกิดจากการกระทำของเราเองไม่ใช่เกิดจากผู้อื่นเกิดจากความโลภความโกรธความหลงนี่เองการที่จะแก้วความโลภความโกรธความหลงก็ต้องมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาศึกษาหาวิธีแ ก, ววก้ความโลภความโกรธความหลงพอรู้จักวิธีแล้วนำเอาไปใช้ก็จะได้รับผล ก็จะปลอดภัยจากการกระทำบาปปลอดภัยจากผลของบาปที่จะปรากฏขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะศึกษาและปฏิบัติถ้าเราศึกษาและปฏิบัติได้ชีวิตของเราจะมีแต่ทางร่มเย็นเป็นสุดแค้วแกาปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมา วัดเพื่อมาทำบุญมาล้าบาทมาศึกษาฟังเทศฟังธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องที่จะนำพาไปสู่ความสุขความเจริญความร่มเย็ยนเป็นสุขแล้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัต เพื่อความสุขและความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลัตนาตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกาในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนัสุขะพาร โดยทั่วหน้าการเธอ